สาธาชนพท้บริษัททั้งหลายวันนี้วันที่วันที่ยี่สิบสี่ันวาคมสองพันห้าร้อยสาที่เอ็ดก็มาเริ่มบันทึกตอนที่สองของหนังสือเล่มที่ห้าสำหรับก่อนที่จะบันทึกเกิดได้เรื่องอื่นๆ ก็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระองค์มาก็ดีสำหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยทยอยเรื่อยๆจนมาจนทั้ ง, งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วัน พวกนี้คืงที่ยี่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสิเอ็ดจะแจกพาหผมเป็นวอดที่สองพระผมนี้นุชมนสุขสันเรื่อนามนกุลเขาบัญญัตยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกแต่ในเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสร์ท่านพลอากาศโทเสริมสุขสันคือบิดาของเธอนุชมนบริจาคมาแล้วสามร้อยผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีกสามร้อยผืนอาจาาจะอาจจะหุ้นกับคุณโดยใช้คอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบรวมความว่ า, าผ้าห่มทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกันที่2ี่ดิบห้าทั 25, ทนวาคมสองพันห้าร้อยสันเอดเป็นงวดที่2อ <c> ก <oughs> ็ขอสมมทนายจักรมดานท่านพุทธบริษัททั้งหมด ที่ทิศส่วนกุศลเพราเขาโทษที่เสียสละนำผ้าส่งมาให้แล้วก็บันดาท่านองหลายได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็พ้าของผมก็ตามอย่างนุษส ม, มนเราต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท่าพุทธศาสนิกนชนมากดยกัน <c oughs> ขอทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบงคลสมบูรณ์ผลผลพัฒ <c oughs> นาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสุขความพัฒนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคำสำหรับในท่านตอนนี้ไปจะบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความฟ้วงนิทานก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเผือฝันมานานแล้ว เอาเป็นนิทานก็นแล้วกันนิทุรีไปมาจากที่ไกลเรื่องมันไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทุนมันได้ถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้หรือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธา น, นีมีทองคำแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเ็าบอกสถานที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่านก็บอกยังไม่ควรบอกโดยการที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาทแทนบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นนํำมันก็เหมือนกัน รู้เรื่องน้ํามันมาตั้งแต่ปีพศ .2018 แต่ว่าเทวดาท่านบอกว่าต้องพศ .2025 ขอร้องท่านทลายก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรั บ, บเรื่องทองคํานี่ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงขยันถามนั่นว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั่นก็คือว่า คนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ท่านตอบ ก, กว้างๆในะบรรดาแทานพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมด จะจับออกมาจะมานามาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นเรื่องเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารประโยชน์อัตตาประโยชน์แปลว่าอย่างไงอาตมาก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะ ถ้าอย่างไงัก็ขออนุ ญ, ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทยัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทยัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองนะักทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคําจิ๋วจริงๆขี่แห่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคําพอที่จะนํามาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่นละแห่ง ทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้ทดีว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูหภัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเจ้าของที่เป็นธรรมชาติมา ก, ก่อนแล้วิญญางปกครองไม่ไดัไม่เกี่ยวกับคำทองคำททิวานี้ ทองคำที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำมเมล็ดเนื้อเล็กเป็นขอมทาทองคาธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนเอามือไปเขี่ยแล้วก็ได้มาได้วันสลึงสองสลึงบ้างวนเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอมร่องกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนร้อยเอาจะเป็นแหลงใหญ่ๆจริงๆมีสามแหลง <c oughs> แต่ละแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตันทช่นเสียงที่บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กับผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรนี่มันจะเลยสิงกิโลเมตร รวมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไปก็รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างก็ใช้อึดอัดเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดอีกเลการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทาน นั่นก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปรเปตันนังวันนิทานไปเรื่องจริงแต่บ่งเอิญนิทานไปตรงกับของจริงกับเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่ออะไรกันไม่ถนัดก็ามากราบวัดดีกว่าไหว้พระตามปกติสาหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพุงฟุ้ย่อนขั้นอยู่นั่นเมื่อกลับวันแล้วก็คิดว่าเราจะทําอะไรต่อไปเดินรอบๆอบวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคําส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลน้นหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็ น, เ ป, นเป็นของมีเยาวของ แต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513เขาก็เลือ่อนเข้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็กยังมีส่วนหรืออีกสิ่งนของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเอ่อปรายกฏว่าเป็นทองคำหลายเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่ง ท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคํามากมีเงินไปส่วนน้อยทองแท่งทองโลพัน์มีเพชร้อยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุนแผนเจอส่วนกึงกลางมาตรงนี้ขอมาตรงนี้มากอยู่เป็นของคุนเป็นของพยาการบุรีตอนนี้ด้วยด้วยก็มาอีกตอนนี้เป็นของขุงวันทองขุนเหล่าทองกับวันทอง พันว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานที่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้กลวงความว่าเทว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือชั้นล่า บ, บ้างเป็นเบปเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกเป็นในน้ำไม่อยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ำเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบก น้ำไม่ได้ท่วมเพราะน้ำเล็ ก, กว่านี้เวลานี้มันน้ำมันใหญ่ขึ้นมาก็ซัดดอยดินที่ทับขึ้นบนหายไปเหลือดินข้าล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มๆวางเรียงรายเป็นตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวและเจ็ดตุ่มนี้สามแถวแต่ล้ากันบ้างอะไรบ้างไม่ไมเสมอกันก็นมาดูรอบๆ บ, บริเวณแหงความศักดิ์สิทธ ของบริเวณที่จะสร้างติดรับแขกใหม่จะพูดให้ฟังสมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศอ2513อเป็นพศ2512นีกว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจอเขาบอกรถไถภูเขาก็ซื้อถ่อกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษความร้อนจะขึ้นสูง แล้วก็ต้องพักประมาณครึ้นชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงลแล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้กขบอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ทำไม่ทรบาบเพราะนั้นไม่เกี่ยวขครื่นตน์แต่กา ร, การเจมิมจะมีผลเป็นรปการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันเขามาเจอมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่าจัตามเรื่องตามราวไฟก็ทำตามนั้นเวลาเจิเก็เชิญท่านจาตุมหาราชเมื่อเจอิอเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไหวเวลานั้นเป็นต้นมะพร้าไผก็ไผที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมากและก็มีต้นมะม่วง ต้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดหวงแหนนักย่าทําอะไรสงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นแต่บอกว่าสงสารต้นไม้จะไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารยร่งแต่ต่อมาไม่คา่านก็ไม่พอาใจสงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเกศไปให้เจกศเก็บ ท่านี้มาว่าบ้านเร่งรถรถไถคันนั้นไมเ่เจอมเสร็จก็ปรางก่าเขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยเป็นขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสในเมื่อเป็นขโมยของในวัดั้ก็ไปเก็บในป่าขโมยจากขอในโบดไปเก็บในป่าตรงนั้นคนดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน สวยๆฝ่ากุฏิมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนแต่โมยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าเด็กริงใจเจ้าวาดเลยไม่เริใจทา ย, ยกเจ้าวาดจอทา ย, ยกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมนตะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ขายลำก็ไม่ได้กินนอก็ไม่ได้ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจมแล้วคุณลองใส่ป่านี่ดูทีถ้าใส่ให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชละั่วโมงละเท่าไรเราก็จะให้ตามนั้นเขาก็บอกว่าผมขอทำถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณบรนยาขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรพวกขอทำถวายยิกว่าจะตีนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จดทูกบอกท้ามาหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสู่องค์ใดองค์งหนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูง ได้คุมรถคันนี้ไปจง ก, กว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษา ร, ระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถขอเทวดาจะพึงทําได้ขอยทยําำด้วยก็เป็นที่น่าสิจันเขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทําจนเปียนเสร็จ เพอเต็นเตีย น, นเสร็จตองเับมาก็จัดเงินให้เขาเพราเกรงใจเขาเขาทำกี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็บอกบุญบรรดาญาโยนทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็ออกใส่เฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศสองพันห้ารอสิบเอดถึงพศสองพันห้ารอยี่สิบเอดนี้เงิน9ก้าเก้าจดเก้าเก้าปเซ็นเป็นเงินจากสายกรุงเทพ <c oughs> สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็ น, นิดหน่อยเท่านั้นไม่ยากโยมจะสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกับเป้าท่านกับบริจาคไว้ต่างกำลังแต่ก็ปรากฏว่างเงินพอเป็นชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซนตเมื่อรับเสร็จเขาขอทําบุญกับ ว, วัดเต็มร้อยเปอร์เซนตเหมือนกัน นี่เขาฉลาดมากถีอว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทำบุญเต็มร้อยเปอร์เซ็น์ทั้งหมดอยากแมงเขาก็าจยากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ป ร, รากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข้างๆกัน เจยวของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไทใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแล้ว่าไทยแล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถที่เขาใช้แล้วไทกคู่แข่งขันกันในความจริงไทคนที่แต่ว่าต้องคิดไปกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับแจ้งไทอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันรถให ม, รใหม่รถเสียตลอดเวลาทำไม่ได้ขึ้นวันรถเสียเป็นวันบ้างสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาเจก็บอกว่ารายงานบอกว่าเป็นของอัศรจรรย์ที่ผมเจอให้หลวงพ่อเจอเนื่องเรื่องการเจอมรดาเทพบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่เจว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้ามหาราชเพื่อถามท่านท้ามหาราชท่านบอกท้ามหาราช บ, บอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นคู่ควบคุคคคมคําวาหุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช้นจาตุมหาราชท้าวว่ากันตามเรื่องเขาต้ อ, องเสือส้นทรนูพ พ่นว่าหนก็คือคุ้งไกลพ่อคุ้งแผ่นกรมความว่ามาทําเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปท่านไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างเระเสร็จจะเริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่จะหัดจกใครจะนึกจะปั้นก็ปั้นกขาบอกว่าปั้นตามใจชอบเจ้ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โวพี่ชายที่ตาย เขาแคเห็นรูปพี่วงวก็เลยเอากระดูกพี่วงเข้าบรรจุไว้ให้เชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นทําความจริงเป็นรูปคอง ข, นขุนไกรท่านี้เชื่อว่าลูกของขุนไกรจริงๆครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนยังมาขอถ่ายรูปขุนไกร คนที่อยู่ที่วัดนี้พระกะด็ดีไม่มีใครรู้จักคุณใครเขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกรไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่มาสอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ใดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านกบอกมึงจะถ่ายอะไรว่าถ่ายรูปเวลานี้มันก็ถ่ายรูปอีกคุณทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนีเ่เขาปั้นไว้ที่โนทีิวัดท่าสูงจงอมอุทัยธา น, นี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากาํำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นนําเหมือนเปียบเจียวในเมื่อคนนั่งเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปที่โงเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีโรคไครเ้าก็เลยถ่ายภาพไปยังได้ทราบว่าทันทาวาหุนนี่ก็คือขุนไก่มีดาของขุนแผงเครือปริยาการจนบุรีก็เล่ความว่าเรื่องนี้ก็อัศรรจรรย์เป็นเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบก็ไม่ทราบ บุคคลที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนยังหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพได้มีถ้ำพญ า, านั่งหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าจะอยู่บนกิ่งโพนะเป็นเขต ท, ที่ท่านพักอาราขาวัดบริเวณที่นี้ ท้าวนาคาเนี่ยเป็ทวดาชั้นจา้าุกมหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขคนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักจะพูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า เมื่อสมัยจ่าจะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กับทอบโคนต้นโพอ่้นสิ้งโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกก้นยมอาจก็มานอนไปเพื่อนอยู่ที่ใต้ถุงกุฏิก็่มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งผอ ม, อมโๆโฉสูเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทําไมถ้านคนั้นบอกขัดก็าถามว่าเป็นใครท่านตอ บ, บอว่ากูทามาทําไมเขบอกกูวนยืนยามเดินยามโตุดต้องการอันตรายเจ้าชิ้นโตคิดเห็นว่าเป็นคนใ น, นกลางคืนตีสองกาไม่ไว้วางใจจิยงหยิีปืนยกปืนไม่ขึน้นเป็นปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึน้น เธอก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมึงจะฉายดูหน้ากูยางงั้นเหลอกูให้ยกไฟฉายไม่ขึ้นมังจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเล็กๆแล้วก็มาในกายข้างเหนือจะเมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเปเพิงหมาแงาน สำหรับทำครัเล็กๆน้อยๆเพอยู่น้อยคนเป็นลังพวงสังกะสีตอนตีสองออกมาเดินจงกลมอาตมาเดินข้างล่างแทนกระ บ, บนเดินบนสังกะสีเดินไปเทนกระเดินตามไปเดินมาแทนกระเดินตามมาถึงปังปังปั ง, ป, งปังสังกะสีในเมื่อไหลายเที่ยวอาตามาห ย, ยุดท่านก็หยุดเหมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปล่ะ ก็เสียงต่อลงมาว่าก็ท่านไม่เดินผม ก, ก็ไม่เดินผมอยู่ยามพเพผมตามมรราคานี่ท่านไปทางไหนผม ก, ก็ไปทาง น, นั้นนี่คือรวมความว่าท่าเทวดาชั้นตุมากาตุมาหราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักว่าหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแตหกโมงเย็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนก็มีคนมากระตุกนผมนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่าก็ บ, บอกว่าท่านให้นักทีจะบวชพระไปบอกเจ้าวาดราะว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบวชจะลักพระพุทธรูปในบวชเราจมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิงบอกให้นักไปบอกเจ้าวาดเจ้าวาดจะอาาดนอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคือนั่นปลกรูเพราะเโมยเข้าโบดเอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณยี่สิบสี่นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่งหงส์เือเรงความว่าท่านพาะนาคาท่านกาสัสสกิตเป็นผู้มีคบบนเอาบรรดาย่าโยงพุทธริษัทและรื่องลายสองนาทีรายการนี้ไป็ น, นการธรรมะ เมื่อพูดกันวันนี้ก็พูดกันเฉพาะเทวดาเช่นจ่าตุภาราตหรือวันใดจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจชนะบุรีก็ดีจะเป็นขุ้ไกรก็ตามจะเป็นสร้อยฟ้าเหล่าทองหรือใครก็ไม่รู้ว่าขี้ใครมาเหล่าทองกับวันทองก็ดีท่านวาผลก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สําหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบุคคลเป็นเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปะ ก่อนที่เราจะตายเรามีหีลิเราอุตตร์ปะสำนักการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเราบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปโน่นข่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกรมบ้างพูดมโสาวาทบ้างจึงสุลามีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริโอตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงฝืนความชั่วด้ยเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจักความดีอันดับแรกจะมุ่งจับพระไตรสนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีหรว่าเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเข้ารับนิสิในสิ่จิตก็เป็นจิก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้ที่เราเป็นคนมีหิริโลตระปาตายจากความเป็นคนเมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วรายการนิธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกัารกยงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็ระนีทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ดังใคยเกินไปอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ เราต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี